นักปฏิบัติสมัยก่อนนะติดสมถะกันแทบทั้งนั้นเลยทำแต่สมาธิสงบนิ่งเฉยเลยหวังว่าทำสมาธิมากๆแล้วจะหลุดพ้นจะเกิดตัณหาไม่เกิดหรอกนี่หลวงพ่อเห็นเว็บของตึกพระละบันเะไรนะตึกไปเอาที่หลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆที่ใจพบสัมภษณ์ดวงตาเอามาลงนะลองไปดูสิมีพยานแล้วนะ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 พูดอะไรก็รู้พระองค์นี้พูดฟังยากอย่าคิดมากไม่ยากหรอกถ้าคิดมากเรายากอย่ายากอะไรรู้รู้สึกตัวขึ้นมาดูกายเปทํางานดูใจเป็นทำงา น, ด, น, งานดูได้ทุกคนแหะแต่ไม่ยอมดูส่วนมากเราฝึกกันผิดพลาดไปเพ่งไปจ้องหลวงพ่อไปพาจกตัวอย่างให้ดูไหมทุกคนดูลมหายใจ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 ลองดูอพอแล้วเห็นไหมว่าไม่ค่อยซึมรู้สึกตัวไหมเนี่ยอาานาคานสตินะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจอาานาคานสตินะฝึกอยู่ยี่ปีมันพลิกแปลงได้สารพัดเลยพวกเราชอบไปดูลมหายใจพระเจ้าท่านสอนดอกดูกรับยกสู่ทั้งหลาย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 ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าน้าต่อไปทุกคนยิ้มยิ้มซียิ้ ม, มเห็นร่างกายยิม้มเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมนั่งพัดอยู่เห็นร่างกายพัดไหมไม่ไปเพ่งลงไปที่ร่างกายนะเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้นะไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานนะสิเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ใจ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 ความรู้สึกก็เกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขณะ น, นี้ถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยก็แค่นั้นเองใช่ไหมความรู้สึกมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราละเลยที่จะรู้เราไปที่หัดรู้เรื่อยๆสุขขึ้นมาก็รู้นะทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะหรือว่าลอบกรดหลงขึ้นมาก็รู้รู้ง่ายๆนะดูครับพิสูจ์ทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะ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 นะจิตเทวดาจิตเปรตจิตอะไรเวลาเห็นรูปไม่ดีไม่ชัว่วเหมือนกันหมดจะดีจะชัว่วเข้ามาที่ใจแลนะเนี่ยเราหัดรู้หัดดูไปสบายๆดูเล่นๆไปนะอย่าซีเรียส ก, การภาวนาห้ามซีเรียสนะถ้าซีเรียสเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรู้ทันทีเลยว่าจิตเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนียจะไม่เครียดเพราะฉะั้นถ้าเราภาวนาแล้วจิตเครียดปึ๊กขึ้นมานะให้รู้เลยจิตมีโทสะแล้ว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 ร่วมใจทำยังไงจะหายมัวเคยเป็นไหมทําไงไยจาเบลอไปหมดแนละ้วทําไงจะรู้ชัดไม่ต้องทําอะไรมัวรู้ว่ามัวเบลอรู้ว่าเบลอไม่ต้องชัดหรอกนะถ้ารู้อย่างเป็นกลางได้นะจะชัดปิ้งขึ้นมาในจันาทีนั้นเลยหลวงพ่อบวชนะพรรษาที่สองพรรษาที่สองนะภาวนาบวชได้ปีกว่ากว่าภาวนาใจมันใสนะอ่ากนกแล้วใจมันใสสว่างนานๆไปนะมันหมองมอง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 ตอนนี้พอมองพอมองใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบง่ายแค่นี้เองเพอใจเป็นกลางนะตั้งแต่นั้นไม่มองอีกแล้วนีมันรู้ว่ามองเนี่หลอกเราไม่ได้แล้วนะใจก็สว่างสวยสว่สวางสวเนี่ยเราเห็นมาตรงที่มันมองมาทิางแล้วตรงที่มันมองกับมันสว่างมองก็สว่างมองก็ปรุงแต่งสว่างก็แต่งไอ้ใจที่สว่างนี่ยังแต่งอีกนะไม่หลงกดมันนะไม่ใช่ไปแต่งสว่าง หลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่คือไปรักษาจิตเอาไว้ปล่อยไม่ได้รักษาไหมไปเอาไปเอาดีไปเอาดีไปเอาสุขเอาสงบเอาสว่างสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่ฟึ่งฟ้าอาศัยให้เห็นความจริงเข้าไปเลยเรามีสติมีปัญญาหนะ้เรียนร่วมไปเลยจิตสว่างก็รู้จิตมองก็รู้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 แต่ละคนนะมันสดชื่นเบิกบานคงไม่ใช่สดชื่นว่าได้ฟังที่รอบเดียวหรอกนะมันสดชื่นแนละ้วภาวนาเป็นเน่ยขึ้นมานะมันมีความสุขสดชื่นดูแต่ละคนนะแฝงแฝงเหมือนเราดูทองฟ้าจำลองทำไมต้องทองฟ้าจำลองทองฟ้าจริงดูอะไรไม่เห็นแล้วมีแต่ขี้ฝุ่นนะดาวเหมือนดวงดาวเลยยิบเลยับเลยนะใจของเราแต่ละคนเรารู้สึกไหม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 หรือใครไม่เห็นว่าเปลี่ยนอะไรเลยถ้าไม่ไม่เห็นว่าเปลี่ยนอะไรเลยมาเป็นปีๆแล้วแนะนำนะไปเรียนที่อื่นซะ <c oughs> แสดงว่าไม่ถูกจิติเรียนอย่างนี้ไม่รู้เรื่องนะถ้าเรียนรู้เรื่องนะในเวลาอันสั้นเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วตัวเองก็รู้ด้วยตัวเองที่วิอยู่ชน้วยด้วยตัวเองคนทอนาเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้นะแค่ฟังซีดีมีมีคนหนึ่งส่งนบ้างหลวงพ่อไปเทศที่ไหนจาไม่ได้ล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 เบื้องต้นก็ได้โสดาเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเบื้องปลาก็เห็นว่าตัวที่มีนั้นมีแต่ตัวทุกเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ำอีกนะดูเข้าไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมาไม่ยากอะไรหรอกนะมันยากตรงที่เราคิดว่าทํายังไงจะดีทํำยังไงจะถูกนะชิดไหมตื่นนอนมานักปฏิบัติชิดไหมวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีจะเดินที่ไหนดีไปนั่งที่ไหนดนะนะีนั่งวันนี้เราจะนั่งแบบไหน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 ชาตินี้เกิดไม่ได้ทรรมานะชาติต่อไปได้ง่ายมากเลยจะได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าใจมันเข้มแข็งมากเลยของเรารักษาชีวิตนะยอมสละศีลเพื่อรักษาชีวิตนะบ้านเมืองถึงได้เป็นอย่างนี้คนไม่มีศีลมีธรรมนะถ้าคนสมัยก่อนเขาทำความผิดเลยถูกจับไดนะ้เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องหาราชีรีหรือไม่ก็ลาออกอนะไรยงนี้ สมัยก่อนนะนักการเมืองหน้าบ้างบางนะสมัยก่อนเสนอยติอะไรไม่ผ่านออกแนละ้วบางทีสอสเ ส, สนอนะรัฐบาลไม่เห็นด้วยรัฐบาลค้านแต่สอสอให้ผ่านรัฐบาลราออกนะอย่างนั้นก็มีนะสมัยนายควงอภัยวงศ์มีกฎหมายปักป้ายข้าวเหนียวบอกสินค้าลนะ้วขึ้นราคาตามใจชอบชาวบ้านเดือดร้อนให้สินค้าทุกชนิดต้องปักป้าย กระทั่งขายข้าวเหนียวเป็นกระสอบนะที่แบ่งขายเป็นลิตรๆต้องติดป้ายหนึ่งลิตรเท่านี้หนึ่งกิโลเท่านี้หนึ่งกระสอบเท่านี้อะไรอเงี้ยในควงเป็นนายกหมกไม่รู้จะปฏิบัติยังไงจะเอาตำรวจที่ไหนไปคุมไม่มีคนไปคุมนะไม่รู้จะปฏิบัติไม่ได้หรอกออกกฎหมายมาแล้วต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ราออกแค่นี้ออกแล้วคนแต่ละยุคไม่เหมือนกันดอก เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะท่านก็พูดออกมาให้ฟังประโมตต่อไปบ้านเมืองมันจะลําบากนะสัตว์นรกมันขึ้นมาเกิดเยอะท่าว่าอย่างนี้สัตว์นรกมันขึ้นมาเกิดเยอะก็คนมีศีลมีธรรมมันมากเนะ่แสงมันออกรัศมีมาออกสัตว์นรกเกิดขึ้นจากนรกมามันเห็นรัศมี น, นี้จับมาไว้ก่อนเนะี่ยก็เลยพากันมาเกิดที่นี่ วิธีดูว่าเรามาจากนรกหรือเปล่าดูใจของเราใจพื้นเทอมของเรานะคนไหนชี้โมโห oh, ยกมือสิสาธุสิทธ <laughs> <laughs> ิ์เก่าแต่เรายังดีนะเราเข็ดหลับมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วเราพัฒนาบางคนมันไม่พัฒนานะมันเตรียมลงไปอีกนะเราก็ฝึกของเรานะฝึกรักษาสีนหน้าไว้ ศีลห้าจำเป็นมากเลยนะถ้าศีลต่งพลอยสมาธิไม่มีหรอกสมาธิมีก็จะมีชั่วคราวด้วยอำนาจสมาธิเก่าๆที่เคยฝึกอย่างบางคนนะมันไม่มีศีลนะบทเป็นพระนะแต่งตัวเป็นพระแนตะ่ไม่มีศีล น, นะสมาธิค่อยๆเสื่อมขนาดได้อารูปไปฌานนะที่เสื่อมหมดสภาพไปเรื่อยๆแล้วก็นานๆก็มาฟื้นขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็เสื่อมอีกนั่นศะีลจําเป็นต้องรักษา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 เราไม่ใช่คนจรจัดอนาถาไม่มีพ่อมีแม่พวกเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเราะงั้นเลยเาก่อนเราจะภาวนานนะเรานึกถึงท่านซะก่อนพอนึกถึกแล้วนะตั้งแตนั้นเรามาสังเกตใจเราถ้าวันนั้นใจฟุ้งสั้นทําทความสงบนะถ้าใจฟุ้งก็ทําความสงบทําความสงบแบบไหนถ้าเราขี้โมโหก็จเจริญเมตตาไปนะจเจริญเมตตาง่ายๆนะบริกรรมไป เมตตันจากสัพโรกัส밍 ม, มานะสัมภาวเวเยะปริยมานังก็ได้ยาวก็จําไม่ได้ยาวจําไม่ได้เอาสั้นๆ น, นะเมตตาคู่นังอรหังเมตามตาเมตตาคูนังอรหังเมตตานะบริกรรมไปเดี๋ยวใจจะรวมสงบนะพวกขี้มโมโหบริกรรมแล้วใจจะเย็นลงเย็นลงแล้วกระแสความเมตตามจะออกไปนะเพ้าใจมันมีเมตตาขึ้นมาแล้วนะ คุณพเจ้าท่านพูดถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตาไปทั้ง11ข้อเนาะประมาณนั้นเยอะมากเลยนะไม่ตายด้วยศัตราวุธิไม่ตายด้วยยาพิษไม่ตายด้วยไฟอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์หน้าตาผปร่งใสทําสมาธิง่ายนะแล้วเวลาจะตายอ่ะจะมีสติตัวนี้สําคัญนะเวลาจะตายมีสตินะนี่ถ้าเราเป็นพวกขี้โลค ที่โลบมากนะราคารุนแรงอะไรนั้นก็พิจรารณาร่างกายเป็นปฏิคูณเป็นอาสุพะไปอะไรเงี้ยก็ข่มราคาได้ถ้าใจเราฟุ้งซ่านมากก็มารู้ลมหายใจนะมารู้ร่างกายที่หายใจอ่นะหายใจไ ป, จไ ป, จไปรู้สึกไปหายใจไปรูนะ้สึกไปแล้วเห็นร่างกายหายใจไปการรูล้ลมหายใจเป็นกรรมฐานที่ใช้ได้ทั่วๆไปนะรู้เป็นการฐานทั่วไปใช้ได้ทุกคนอ่นะหเห็นร่างกายเป็นหายใจใจก็สงบ เนี่ยวันไหนใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็มาทำใจให้สงบนะตามจริตนิสัยเรามีราคามากกนะ็พิจารณาสุภาษนะมีโทษสามารถก็นะจเจริญเมตตาไปหรือมากจริงๆเมตตาเขาไม่ไหวพิจารณาความตายนนะใจโมห oh ามากฟุ้งซ่านมากหายใจไปเห็นร่างกายมัหายใจไปใจก็สงบนี่วันไหนเราสงบแล้วนะเรามาฝึกให้จิตตั้งมั่น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 รู้ทานแต่ตัวนี้จะเล่นยากแล้เย็นแล้วบางทีมันพลิกเข้าอรูปฌานไปเลยนะจะมาเจริญสติขึ้นมาให้จิตตั้งมันยากนั้นกลับมารู้ลมหายใจไว้ก็ไดนะ้เป็นกรรมฐานที่เล่นง่า ย, ายโยเวนบางวันนะราคามันแรงก็พิจารณาความตายพิจารณาร่างกายบ้างนะวันไหนมันธรรมดาไม่รุนแรงมากก็เห็นร่างกายมันหายใจไปนะเป็นกรรมฐานกลางๆจากลมหายใจนะ่พลิกขึ้น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 หรือดูความรู้สึกก็เห็นความรู้สึกมันแยกออกจอากใจสุขทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้สุขทุกขก์จิตเป็นคนละอันนะหรือโลภโกรธหลงก็เห็นโลภโกรธหลงกับจิตเป็นคนละอันค่อยๆฝึกเงี้ยมันก็จะแยกแยกขันนะแยกกายกับใจแยกสุขทุกข์ดีชั่วออกจอากใจกใจก็เป็นคนดูพอแยกขันได้แล้วต่อไปกอ็อย่าแยกอยู่เฉยๆนะดูขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ไป สติะระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ที่กายสติะระลึกรู้เวทนาคือสุขทุกข์นะก็เห็นไตรลักษณ์ที่เวทนาสติระลึกรู้กุศลอกุศลนะเห็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นและสติมจะระลึกรู้จิตเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตามความปรุงแต่งทงั้งหลายไปไเห็นว่าทุกอย่างก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เรานะนี่อยู่ในขั้นจเจริญปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ได้นะ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเป็น7ปีนี่นับถอยหลังเถอะควรจะได้ธรรมะแล้วถ้าสมัยพุทธกาลคนบารมีมากคนกุรุคนในกุรุศกุรุรัตน์เนี่ยบารมีมากพระเจ้าสอนสติปัฏฐานให้บอกเลยเจปีเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคานะบางคนเจเดือน7วันบางคนวันเดียวเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคาของเราถ้าจิตเดินปัญญาถูกต้องแล้วนะ7ปีได้โสดาบุญแล้วล่ะ เพราะว่าเราไม่ค่อยเดินออกวันๆหนึ่งเราสนใจของข้างนอกมากกว่าตัวเองนะใครเล่นลายบ้างยกมือซิโ อ, โอหะยังไม่มากพอ <c oughs> อันตรายมากเลยนะเนีย่ยเราตั้งสมาธินะจิตรวมกําลังจะเกิดอริยมรรคนะตึง้งขึ้นะา <c oughs> อีกปีหนึ่งไปจะรวมพลังขึ้นมาได้อีกจริง <c oughs> เราไม่รู้นะ ว่าอินทรีย์เราจะแก่กล้าบารามีจะสมบูรณ์ตอนไหนจะบรรลุตอนไหนเราสร้างเครื่องทําลายสติของเราไว้ข้างๆงตัวถ้าเอาไว้สําหรับติดต่อ ง, งานไม่เป็นไรนะเอาไว้คุยเพรสเจอร์อย่าไปทำเลยฟุ้งซ่านมันเข้าข่ายคลุกคลีมากไปยุ่งมากไปคลุกคลียิ่งกว่าโทรศัพท์อีกใช่ไหมโทรศัพท์ยังไม่คลุกคลีเท่าอ้หลายเลยอะไรเนี่ยหุ่นไหวมากเลยนะลดได้ดีนะ เล่นแล้วหวังจะได้มรรคผลนิพพานด้วยดูตลอดเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดู เ, ดดเครื่องเดียวไม่พอดูสองเครื่องอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เอามั้เอาผลที่ไหนได้อนะใจก็แกว่งแกว่งตลอดอะไรที่ทำเป็นเครื่องพลุงพลังใจนะลดลงสะบ้างนะลดลงไปค่อยๆฝึกนะแล้วก็ทีแรกรักษาสี่ห้านะฝึกฝึกในรูปแบบ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 ฝึกรักษาศีลในรูปแบบก็ดูไปเบื้องต้นสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีวันหนึ่งแต่ต้องทำทุกวันนะใจจะเข้มแข็งทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้กินหรอกแล้วพอเราบางทำนะอุปกรณ์สื่อสารเอาออกไปไว้ไกลๆเลยนะปิดมันจะได้ยิ่งดีตัวนี้แม่ไม่อยากว่านะเสนียดจันไรของการภาวนาเลยนะครูบาอาจารย์ mm hmm. เกลียดมากเลยราก็ตามหาบัวนี่ถือเรีอกเป็นเทวทัตเลย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 แต่วันนี้ดูแล้วไม่ได้เรื่องเลยฟุ้งมาตลอดเลยนะทำความสงบนะอ่านข่าวการเมืองมากจิตมีโทสะเจริญเมตตาไว้ต้องรักทักษิณได้เท่ากับรักกํานันนะไม่งั้นเราไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าหรอกแต่จะตามใครอะไรนี้จะเลือกใครนี้ใช้สติปัญญาแต่ความเกลียดนะไม่เอานะไม่ได้เกลียดสมัยพุทธกาลพระพเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดเทวทัตนะแต่ไม่ได้ให้ตามเทวทัต ก็ต้องรู้จักเลือกเลือกครบกัญญาณมิตรไม่เลือกพบผนพานหนึท่านสอนแต่ว่าใจเราไม่ได้รักคนนี้เกลียดคนนี้นะใจเราก็ใจเราก็สงบสุขได้นี้ถ้าทุกวันเราฝึกในรูปแบบเนี่ยใจเราจะมีพลังออกมาอยู่ในชีวิตจริงเราจะมาฝึกง่ายชีวิตจริงเนี่ยจริงๆแล้วเล่นยากกว่าการฝึกในรูปแบบนะฝึกในชีวิตจริงๆเยในชีวิตจํำวันเนี่ยยากกว่าการทําในรูปแบบ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 วัดสวนสถิตธรรมได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นสํานักกรรมฐานนึกว่าจะมานั่งสมาธิคุณแม่เลยตอบด้วยความเมตตาบเนี่ยเข า, เากำลังฝึกธรรมะขั้นสุดยอดอยู่ฝนะึกกรรมฐานในชีวิตจริงๆอะส่วนกรรมฐานที่ฝึกคนเดียวนะ่ะไปฝึกที่บ้านนะกลับบ้านแล้วไปฝึกเอานะอยู่ตรงเนี้ยฝึกในอายตนะหกอันเนี้ยฝึกรู้มันให้ได้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 ลองกลับมาดูใจเรียดมันจะไม่เข้าหรอกมันจะเด้งออกนะมันดีดออกดูออกไหมถ้จิตไม่ถึงฐานสมาธิไม่พอก็นะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นคือการรู้ทันว่าจิตมันกระจายว่างๆออกไปถ้านนอกจะมีแต่ความสุขนะจะสบายมีความสุขอยู่ได้เป็นปีๆเลยครับหลงพ่อเคยเป็นหลงตามมหาบัวมาแก้ให้จิตไม่ถึงฐานแล้นะดูไม่ถึงจิตแล้วเราก็รู้ทันนะ่จิตมันอยู่ข้างนอก แล้วก็กลับมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆของคุณดูกายไว้มันรักกายมากครับนามส ก, กานครับหลวงพอ่อเมื่อสองปีที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่าโลภ ก, ก็คืออยากได้ผลเร็วอืทีนี้อก็ปฏิบัติกระท้อนกระแท่นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้บอกให้ทํากระท้อนกระแท่นนะ <laughs> ปฏิบัติให้เต็มที่แต่ไม่หวังผลครับเหตุทําเหตุเต็มที่นะ แต่ไม่ได้โลภเอาผล<น>ไม่ใช่ว่าพอไม่โลบผลเลยไม่ทำเหตุนะนี่กระทันกัะแท่นไม่ได้นะสู้ตายจนวันหนึ่งมันะ ล, ลึกถึงคำสอนหลวงพ่อชาบอกว่า ร, รู้อะไรก่อนให้รู้สึกอะไรก่อนให้รู้ตัวนั้นที่นี้ครับใช่ที่จริงๆเรารู้กายเพื่อเห็นอะไรเห็นใจรักนะ ร, รู้ใจเพื่อเห็นไตรักรู้สุขทุกข์ก็เพื่อเห็นใจรักรู้กุศลอกุศลก็เพื่อเห็นใจรักเห็นอะไรไม่สาคัญหรอกถ้าเห็นใจรัก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 แล้วก็มืดไปเลยว่าตากมันหมุนอยู่อย่างนั้นเลบทีนี้พอหลังจากวันนั้นใจมันก็ดูมันดูกายของมันเอง เ, อเวลาจะรู้สึกอะไรก็ตามมันจะเห็นกายอ่อนแล้วมันก็จะเห็นจิตเห็นอะไรขึ้นามานตามใช่แล้วก็ใช้กายเป็นวิหารธรรมครับนะพอหลังจากนั้นก็คือพอทําอะไรขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนเบาๆก็คือเหมือนกับ อ, อยู่ๆมันก็ระลึกถึงกายขึ้นมาเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราทําอะไรขึ้นมาต้องระวังกันเดียวและอย่าไปฟ้องจิต ยังติดสมาธิอยู่ครับนะการที่เราเห็นมันแผ่แสงออกมาได้อะไรได้เป็นเรื่องของสมาธินะครับอมันไม่ใช่กายจริงๆกายจริงไม่ได้เปล่งแสงครับนี่เรารู้จิตมันค้างสมาธิอยู่ขนาะนี้มันยังติดสมาธิดูออกไหมต้องปล่อยนะถ้าติดสมาธิเราจะไปพรมมาโลกไม่ไปนิพพานครับปล่อยซะใจถึงถึงก็วันนี้